อย่างใี่บอกว่าถ้าใครยังจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าไปสู่สุขติเนี่ยไม่ใช่หมื่นไม่ใช่แสนแต่ที่แท้มากกว่านั้นมีพุทธคุณเป็นอารมณ์และจุติเนี่ยนะไปสู่สุขติโลกสวรรค์หาประมาณไม่ได้ผู้ที่มีธรรมคุณเป็นอารมณ์โดยเฉพาะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะท่านเหล่านั้นดับวัตตะได้หาประมาณไม่ได้ ผู้ที่มีสังฆคุณเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็ไปสู่สุขติหาประมาณไม่ได้ท่านก็ทํำยังไงให้จิตของเราเป็นเนคข ม, มวิตตกเป็นไปในคุณของพระัตนะไตรยแม้กระทั่งที่กล่าวว่านึกถึงอริยสัจอริยสัจจริงๆอยู่ในหนึ่งในธรรมคุณอริยสัจจะมองเป็นพุทธคุณก็ได้ในฐานะพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจมองว่าธรรมคุณก็ได้เพราะเป็นนิยา น, นิกระทำผู้ที่รู้อริยสัจพ้นจากทุก อริยสัจจะเจริญแบบสังฆ ค, คุณก็ได้ว่าพระสาวก ค, คือพระโสดาบันเห็นอริยสัจเป็นครั้งแรกเนี่ยนะก็เจริญเป็นสังฆ ค, คุณก็ได้เนนะเพราะนัน้นตัวสัมมาสังกปะการตรึกถึงอริยสัจเป็นต้นนั้นก็เป็นเป็นกุศลใช่ไหมต่อไปอีกเมตานะเจริญเมตตาให้จิตของเราเนี่ยเป็นไปกับเหตุที่ดีอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าเนี่ยนะถ้าศีเนี่ยศีเลนะสุขติยันตินะ สีเลนโภคสัมปทาเ น, นเนี่ยสีเนี่ยผู้ที่อยู่ในศีลไม่ประมาทในกุศลศีลเมื่อไม่ประมาทในกุศลศีนะก็ทําให้เรียกว่ามีโผค้าขึ้นบางคนนี่เชื่อไม่เสียทรัพย์บางตัวเนี่ยเพราะราคะพาไปบ้างเพราะโทสะพาไปบ้างเนี่ยนะก็บอกว่าเสียทรัพย์เพราะความประมาทเป็นเหตุเพราะ เียศีลเนี่ยถ้าตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วก็ไม่ไม่เสียทรัพย์เนี่ยนะบางคนนะขึ้นโรงขึ้นศาลไม่มีจบสักทีหนึ่งก็เพราะความทุศีลของตัวศีเลนะนิพุติยัญติศีลเนี่ยนะเป็นบาตเป็นพื้นฐานแห่งประตูพระนิพานเนี่ยนะประตูแห่งพระนิพานเสมอด้วยศีลไม่มีบันไดแห่งสวรรค์เสมอด้วยศีล ไม่มีเนี่ยนะก็ดีใจแช่มชื่นนึกถึงศินแล้วดีใจไหมคุณดาวันดยดีใจไหมว่าเรามีศินดีสีนก็วิจารณญาณให้แม่นๆหน่อยนะว่าสีนนี่คือทรัพย์ของเรานะเป็นอริยทรัพย์ของเรานะความอายชั่วครัวบาปก็เป็นทรัพย์ของเรานะการมันละลึกถึงคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็คืออริยทรัพย์ของเรานะถ้าหากว่าไม่มีความปลื้มใจในการเจริญกุศลนะบอกตรงๆว่าคุณศึกษาธรรมะได้ไม่นาน มีอยู่ครั้งหนึ่งภาษาริบุตรกล่าวถึงพระภิกษุที่เป็นศิษย์ของท่านศึกไปเนี่ยนะท่านบอกเลยว่าท่านเหล่านั้นไม่ยินดีในกุศลท่านไม่มีอินทรีย์สังวรไม่มีโภชเนมตันยุตาไม่มีชาคริยานุโยกถ้าท่านบวชอยู่ได้นี่สินหน้าแปลกใจแต่ที่ท่านศึกไม่น่าแปลกใจเพราะคนที่ไม่มีโภชเนมตันยุตาไม่มีอินทรีย์สังวรไม่มีชาคริยานุโยกที่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้หรอกเนี่ยนะ กรณีเขาแสดงว่าผู้ที่ไม่เห็นคุณหรือไม่เห็นอนิสง์ของคุณธรรมทั้งหลายที่จะปรับเจริญกุศลธรรมให้เป็นไปได้อย่างมากอย่างต่อเนื่องก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้คือเป็นไปไม่ได้นั่นเองมันเคยให้รางวัลแก่ตัวเองปราโมทในกุศลบ้างไหมเนี่ยนะปราโมทในพระ อ, องค์ตรัสว่าผู้มีปราโมทในธรรมเนี่ยนะเดิมรถแห่งคําเนี่ยที่พระตถาคตแสดงแล้วเนี่ย ผู้นั้นเนี่ยชื่อว่าได้เดิมในสิ่งที่ไม่มีโทษเดิมในสิ่งที่ไม่มีพิษมีภัยก็เดิมอมตะนั่นเองมันก็ต้องมั่นมีมีความสุขกับการเจริญกุศลธรรมอย่างเียสอนมีความสุขกับบุญบานะ้างเนี่ยอ๋อยังปีติเลยนะตอนนี้ก็ปรับ ป, ป, ประโมทเกิดใบนะ ดีใจในกุศลเนี่ยนะถ้าขอมาที่ที่รู้จักคนที่ศึกษาธรรมะได้ไม่ยาวเนี่ยนะไม่ค่อยต่อเนื่องที่เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ไม่ตลอดชีวิตเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่มีความสุขกับกุศลแม้พระพิสุทธ์ที่บวชเข้ามาเหมือนกันพระที่ไม่มีความสุขกับการเจริญกุศลเนี่ยอย่างเพื่อนรูปหนึ่งเนี่ยนะที่เคยมาที่ตอนหลังก็สึกไปขอมาจะแปลกใจมากที่ท่านบวชอยู่ได้เนี่ยนะบวช พันศานอายุเท่ากันเนะี่แปลกใจมากว่าทํำไมอยู่ได้ตั้งแปดพรนศาเพราะตอนหลังบอกศึกแล้วบอกโอ้น่าศึกตั้งนานแล้วว่างั้นเพราะอะไรเพราะท่านไม่เคยมีความสุขกับกุศลเลยเป็นคนที่เรียกว่าแห้งแรงในกุศลธรรมมากแต่ก็มีความสุขกับอ ก, กุศลธรรมนัม่นก็แสดงว่าวิจารณญาณวิบัติมากๆเลยที่ถีวิบัติประโยคน้าก็วิบัติมันจะต้องรู้จัก เดิมท่าคือกุศลธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นให้มีความสุขปราโมทกับการเจริญกุศลถ้าถ้าเราไม่มีรู้สึกมีความสุขกับการเจริญกุศลเนี่ยนะถ้าเราเจ็บป่วยขึ้นมาเราจะดีใจตรงไห น, นเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องปลื้มใจเลยนะถ้าป่วยขึ้นมานะปวดศีรษะอย่างแรงกล้า ก, ก่อนจะจุติเนี่ยเขาบอกว่าผู้จะตายทั้งหลายเนี่ยในพระไตรปิฎกเขาบอกว่าร้อนเนี่ยศีรษะเนี่ยปวดเหมือนกับเขาขันชนะนะใช่ไหม ลมในท้องมันเสยียแทงเหมือนเอามีดไปคว้านร่างกายนี่มันร้อนเหมือนถูกย่างถามว่าถ้าอยู่ในสภาพแบบนั้นเนี่ยเอากุศลอะไรมาเนี่ยนะพันจะต้องเจริญปีติในพุทธคุณให้มีขึ้นให้ได้ปีติในพระธรรมปีติในพระสงฆ์ปีติในสิกขาสามที่เราอบรมที่เราเจริญเนี่ยนะถ้าทําไม่ได้อย่างนั้นนี่ยก็ <c oughs> ก็อย่างว่านะก็ทําไม่ได้จะไปว่าอะไรเขา เดี๋ยวเราจะป่วยเอาคิดเรื่องของเราดีกว่างั้นก็ฝึกเจริญสัมมาสังกปัปปะไปเยอะๆนืง่งก็สัมมาสังกปัปปะที่เป็นอนาสะวะบ้างนะที่เป็นอนาสะวะคือที่เป็นโลกุตระเนี่ยนที่เป็นโลกุตระก็คือเป็นองค์มรรคดูก่กอนีิสูจนทั้งหลายความตรึกความวิตกความํำเละความแน่วแน่ความแน่ ความปักใจวจีสังขารของภิกษุผู้มีจิตไกลาจากฆาสึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมมาสังกัปปะที่เป็นอริยะเป็นอนาสะวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคนะก็แสดงว่าเป็นมรรคระดับปฐมฌานนี่นะคือโสดาปติมรรคปฐมฌานะจิตตังนะ สกทาคามีมรรดับปฐมฌานสกทาคามีผลระดับปฐมฌานอนาคามีมรรณาคามีผลอรหัตตะมัง่งอรหัตตะผลระดับปฐมฌานนะั่นเองพอโลกุตระจิตเนี่ยโดยพิสดารมีเท่าไหร่มีสี่สิบใช่ไหมเป็นมรรดับปฐมฌานผลระดับปฐมฌานเป็นต้นนะที่มาดูว่า ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาสังกัปปะเพื่อบรุสัมมาสังกัปปะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะในทางศาสนานี้เขาเชื่อว่าผู้ขยันคือผู้ที่ขยันเจริญกุศลวิตกผู้ขี้เกียจคือผู้ไม่เจริญกุศลวิตกใครที่ปล่อยจิตคิดไปเรื่อยเปื่อยมันอยากคิดอะไรก็ไปเรื่อยนี้เรียกว่าคนเกียจคร้านในศาสนานี้ คนที่ขยันก็คือคนที่ห้ามความคิดของตัวเองเกียรติกันความคิดของตัวเองจากอากุศลให้เป็นไปกับกุศลเพราะฉะนั้นสุตตานี้จึงจําเป็นมากถ้าใครสุตตาน้อยเนี่ยจะโครจรไปในคําสอนได้สักเท่าไหร่นะมันถ้าทรงจําพระธรรมได้เยอะๆเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราระเลึกถึงพระธรรมได้มากๆหรือถ้ามีพระธรรมที่ประทับใจนะสูตรเดียวก็พอมันใส่ใจบ่อยๆ หมายความว่าเป็นพระธรรมที่นึกแล้วสบายใจนึกแล้วสบายใจบางคนนั้นมีสูตรประจำตัวเหมือนกัญาประจำตัวสักอย่างหนึ่งนะนึกถึงสูตรนั้นแล้วก็สบายใจนึกเมื่อไหร่ก็ปลื้มใจเนี่ยนะบางคนก็สามสูตรสี่สูตรนะว่าสภาพจิตแบบนี้สูตรนี้สภาพจิตแบบนั้นสูตรนั้นเนี่ยนะก็หาพระสูตรมาเพื่อจิตจะได้เป็นไปกับพระสูตรมากๆอย่างเราเรียนสติปัฏฐานสูตรมาเนี่ยควรจะสาธยายสติปัฐานสูตรให้ได้ โดยสังเขปก็ยังดีโดยพิสดารก็ดนะีก็หมั่นสาธยายสติประฐานสูตรเนี่ยนะตั้งแต่ว่าทางนี้เป็นทางซ้ายเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเพื่อดับไปแห่งทุกโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรมคืออริยมรรคเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติประธานสี่สติประฐานสีเป็นไฉนพะิสูนในธรรมวินัยนี้พิจรารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเนี่ยนะนะ กเวทนาจิตธรรมก็นัยยะเดียวกันนะอย่างไรชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายนะไปสู่ป่าสู่โคนไม้นั่งเรือนว่างตังนั่งคูบาลังตั้งกายตรงนำลมสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกมือหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าชาติว่าเราหายใจเข้ายาวว่าอย่างไรไปเรื่อยนะถ้าว่าได้ก็สบายใจเพราะว่าคือสิ่งที่เราจะเจริญคือสิ่งเหล่านี้ อันถ้าเราสาธยายได้ก็จะเป็นความความดีเยี่ยมของเราเนี่ยนะเพราะาเราจะรู้อยู่แล้วว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำถ้าแนวโน้มที่จะจำยังไม่มีนะไม่รู้จะไปเจริญตรงไหน น, นะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของนา ม, มาทำล้วนๆไม่มีเอาป้ายไปติดไว้ ไม่มีไม่มีแบบคล้ายๆวิชาทางโลกนะก็เอาป้ายไปแตะแปะแปะแปะติดไว้อันนี้ไม่มีใช้ใช้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความทรงจําเป็นเป็นอย่างเดียวเพราะถ้าเราสาธยายได้หรือเอาแบบจางเกตก็ได้สาธยายอริยสัจเอาไว้เลยนะเห็นหน้าไข่ปั๊บก็ชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขังแล้วก็สองกระจกทีหนึ่งก็ชาติปีทุกขาชราปีทุกขาก็ว่าไปเรื่อยอย่างนี้นะ ก็ไทยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนี่ยนะก็ให้มันมีในใจไว้บ้างถ้าไม่อย่างนั้นนะเป็นการศึกษาพระธรรมที่เรียกว่าได้ยินก็ผ่านหูเนี่ยนะเขมาอยากจะใช้คําว่าผ่านหูถ้าเราทรงจําพระธรรมอะไรไม่ได้เลยแต่หลายท่านก็จําได้เยอะแล้วนะแต่นี้พูดถึงคนที่ยังไม่ค่อยกําหนดจดจําอย่างคุณบุญมีนี่ก็คุณบุญมีจําสูตรไหได้บ้างนี่ญญญญไม่เคยจําสูตรไหนสักสูตรบ้างไหมเนี่ย อิติปิโสสวดได้แล้วใช่ไหมได้ครับอ๋อได้นะสวดบ่อยไหมไม่เคยสวดเลยอ๋อพอแล้วไม่คุยด้วยล้วนี่มาดูสัมมาสัมมาอะไรเมื่อกี้พูดถึงว่าสัมมาวายามะนี่แวดล้อมอะไรเคอผู้ที่เพียรละมิจฉาสังกะปะเพียรเพื่อบรุสัมมาสังกะปะอันนี่เป็นสัมมาวายามะใช่มั้ย ผู้นั้นมีสติละมิจฉาสังกัปปะมีสติบรรลุสัมมาสังกัปปะอยู่สติของเธอนั้นชื่อว่าสัมมาสติถ้ามีสติจริงต้องละมิจฉาสังกัปปะได้เจริญกุศลสังกัปปะอันนี้เป็นเครื่องวัดว่ามีสติถ้ามูผู้มีความเพียรก็คือเพียรเพื่อละมิจฉาสังกัปปะเพียรเพื่อบรรลุสัมมาสังกัปปะสูนี้นะเห็นชัดลักษณะของสติว่าผู้มีสตินี้บางคนนะเขบอกรู้อยู่รู้อยู่เขามีสติอยู่ ว่าน้นว่านี้อกุศลเกิดอย่างนี้เรียกว่ามีสติไหมไม่มีเป็นมิจฉาสติมันถ้าผู้ที่มีสติจริงเนี่ยต้องเกียดกันอกุศลออกไปเจริญกุศลได้บางบางคนเนี่ยบอกว่าถือเอาสัญชาตญาณเนี่ยเป็นสติก็มีบางพวกนะเช่นคนเมาทั้งหลายเ็าถือเอาสัญชาตญาณเนี่ยว่าเป็นสติจริงๆแล้วใช่ไหมไม่ใช่สัญชาตญาณไม่ใช่สติ สติคือตัวที่วินิจฉัยสามารถที่จะละมิจฉาสังกัปปะเจริญสัมมาสังกัปปะได้เรียกว่าผู้มีสติคือรู้เลยว่าถ้ามิจฉาสังกัปปะเกิดขึ้นเสียหายตรงไหนสัมมาสังกัปปะเกิดขึ้นนี่มีคุณแค่ไหนแล้วก็มีความสุขกับการเจริญสัมมาสังกัปปะเนี่ยนะมีปิติปราโมชจากการเจริญสัมมาสังกัปปะบุญโชคดีเนี่ยปิดเทอมนีได้สักสูตรหนึ่งน มักแปดได้ยังไปท่องๆไว้บ้างปล่อยความคิดล่องลอยไปในเรื่องไม่ควรคิดซะส่วนใหญ่บาปทั้งวันแล้วหาบุญใส่ตัวบ้างหรือไ ม, มไม่มีตัวไม่มีตนแล้วไม่ถึงขนาดนั้นมั้งให้มันเหลือๆไว้บ้างนะไว้เจริญกุศลหน่อยพันสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสตินี้ถือว่าห้อมล้อมเป็นไปตาม สัมมาสังกปะถ้าใครที่เจริญสัมมาสังกปะได้มากก็แสดงว่ามีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติห้อมล้อมอยู่มันแสดงว่าขณะใดที่เราเจริญสัมมาสังกปะได้นะแสดงว่าเรามีบริวารนะใช่ไหมมีอะไรเป็นบริวารสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นบริวารเนี่ยนะไม่เหงาเลยนะอย่าไปคิดว่าเออนี่มันตึกทั้งนั้นน่ะนี่มันวิตกทั้งนั้นน่ะอาจจะไปกลัวทําไมว่า สวิตตกก็มีปัญญาเกิดร่วมมีวายามะเกิดร่วมมีสติเกิดร่วมเนี่ยนะสมัยที่ยังจําได้สมัยที่เรามาฝึกตรึกธรรมะใหม่ๆเนี่ยนะเพื่อนก็กบอกว่าเออนี่มันตรึกทั้งนั้นเนี่ยก็ใช่กับผมมีจิตผมก็คิดละมัง้งเพราะมันไม่ได้เจริญปัญญาคุณว่าปัญญามันเกิดอยู่ที่ไหนมันเกิดที่ต้นไม้หรือมันก็เกิดอยู่ร่วมกับจิตมถ้าผมมีจิตแสดงว่าทําไมปัญญามจะเกิดร่วมไม่ได้อันแล้วสังกัปะล่ะนะตึกเออตรึกก็เป็นสัมมาสังกปัปะใช่ไหม และสมมาสังกป ร, รปรตยาณสัมปยุทธไม่ได้หรื อ, อยังไง mm hmm. ก็ได้อยู่แล้วมันก็เลยบางคนนี่กลัวมากกลัวจะไม่ใช่ปัญญากลัวนี่มันคิดนี่มันวิตกอ่ะนะก็เลยกลัวไปแค่กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัวยังกพรว่าปัญญามันไม่ได้เกิดร่วมกับวิตกปัญญาที่ไม่เกิดร่วมกับวิตกนะต้องเป็นปัญญาระดับทุติยะชานขึ้นไปถ้าปัญญาล่างกว่านั้นต้องมีวิตกควบคู่เสมอปัญญานะั้นไม่มียังพอได้แต่วิตกต้องมีเป็นปกติ นะถ้ามีปัญญาก็แสดงว่ามีสติถ้ามีสติก็สามารถที่จะอบรมทําปัญญาให้เกิดขึ้นได้นี่ก็อย่างถ้าใครจะเจริญปัญญาก็เนี่ยฝึกเจริญสัมมาทิฏฐิดูก่อนถ้าเจริญเอ่อขอไปเจริญสัมมาสังกัปปะถ้าเจริญสัมมาสังกัปปะได้นะสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะ สัมมาสติไม่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เนี่ยนะให้เจริญให้เป็นเนคข ม, มะวิตกเป็นอพิยาปาท่าวิตกเป็นอวิหิงสาวิตกไปเถอะนะบางคนอาจจะติดในเชิดนะบอกว่าเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณเจริญเมตตาเจริญกรุณาได้เนี่ยใช้ได้แล้วละ่ะถือว่ามีปัญญาแล้วแต่คุณไม่มีปัญญาคุณคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกคุณต้องคิดถึงคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงว่าคุณมีปัญญาคุณถึงคิดถึงพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้านี่คนดีนะ คนถ้าคนไม่มีบุญเนี่ยไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าหรอกไปคิดถึงคนที่ไม่ควรคิดไปคิดถึงคนทะเลาะกันยังไงนะไม่ควรคิดสักหน่อยใช่ไหมไปคิดถึงเรื่องไม่ควรคิดมันถ้าคนมีปัญญาเขาจะคิดถึงพระพุทธเจ้าพอคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วเว้ยสบายใจมากนะเคยเห็นพระพุทธเจ้านั่งทะเลาะกับใครไว้ด่าใครชัดๆไม่มีนะแล้วพระพุทธเจ้าดุใครด้วยโทสะไปต้นมีไหมไม่มีเพรทั้งคนดีขนาดนี้น่าคิดถึงมากๆเลย แล้วก็คําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีคําสอนไหนดีบริสุทธิ์ปุดผ่องขนาดนี้แล้วก็น่าคิดมากใครจะปฏิบัติดีเท่ากับพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระษารีบุตรพระโมกขาลานาะพระอา น, นุ์เป็นต้นเนี่ยนะเทระคถาเทรีคาถาก็อ่านไปเถอะนั่นนะให้สัมมาสังกัปปะมันจะได้โคจรไปในเรื่องที่ที่ควรโคจรบ้างอ่านพระไตรปิฎกมั่งนะไปคิดเรื่องไม่ควรคิดนี่มิใช่น้อยยอมก็เลวัานี่เขาอ่านหนังสือมาเป็นรถปิกอัพแล้วนะว่าโอ้โหแล้ว สังกปะมิจฉาสังกปะหรือสัมมาสังกปะเนาะอย่งาง น, นิ้ถอ่านหนังสือมาเป็นคันรถนะ่ะนะสังสมอะไรไว้มากตไบบดก <c oughs> ก็พยายามอ่านตไบบิโดกนะของมามีหนังสือธรรมะเป็นคันรถหนะึ่งหนังสืออื่นนะพยายามโอ้ยรีบทิ้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะอ่านจบนะที่ต้องรีบทิ้งให้หมดเนี่ย น, นะเดี๋ยวเกิดกลัวสังสมอะไหนังสือทั่วๆไปเนี่ย ส่งสมหนังสือธรรมะเนี่ยดีที่สุดแต่ธรรมะก็ต้องมาตรฐานหน่อยนะสั่งสมปไตยปิดกเอาไว้เถอะก็ถ้าการเจริญสัมมาสังกปปะนะถ้าข้อมูลไม่ดีข้อมูลไม่มาตรฐานนะมีโยมบางท่านศึกษาธรรมะเนี่ยก็ศึกษาธรรมะแต่ว่าสเปะสปะมากๆเลยศึกษามาตอนนี้ได้ปีหนึ่งแล้วเกือบปีหนึ่งแล้วอะไรก็ยังจับไม่ได้สเปะสปะไปหมดเลยเรารู้ว่าเกิดจากข้อมูลไม่มาตรฐานเพราะข้อมูลไม่มาตรฐานก็เรื่อยเปื่อยสเปะสปะตเต็มไปหมดเลย มันก็หนังสือธรรมะนี่ต้องคัดนีนะถ้าต้องเป็นมาตรฐานจริงๆค่อยอ่านถ้าไม่มาตรฐานนี่ไม่รู้ไปเก็บอะไรมาเคยไปที่ร้านหนังสือเนี่ยโอ้ยทําไมมันสเปะ ส, สปะมันยุ่งไปหมดเลยนะถ้าใครอ่านตามนี้หมดนะไม่รู้จะปฏิบัติออกมาแบบไหนก็คือเหมือนว่าไปเรียนสูตรทําอาหารสักอย่างไหมไปห้าไปอ่านมาหกเจ็ดตำรานเนี่ยนะเราก็เลยปรองสูตรใหม่ของเราเองเป็นคนพิเศษไปหาพระพิสูรรูปหนึ่ง ท่านบอกว่าท่านนี่ยมีอาจารย์เยอะมากท่านก็เอาอาจารย์นี้มานิดอาจารย์นั้นมาหน่อยรวมกันเออก็เลยได้ของท่านอันใหม่เนี่ยนะผสมไปผสมมาเลยได้สูตรใหม่เลยเนี่ยนะก็ก็เป็นลักษณะนี้มันก็ถามว่าสูตรใหม่ที่เราปรุงขึ้นเองเนี่ยดีไหมแน่ใจนะว่ากินแล้วไม่ตาย <c oughs> นั่นนะก็ระวังระวังหน่อยก็แล้วกันนี่มาดูสัมมาวาจาบ้างนะว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบรรดาองค์ทั้งเจ็ดนั้น สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานก็สัมมาทิฏฐิย่อมเป็นประธานอย่างไรคือภิกษุรู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจารู้จักสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจาความรู้ของเธอนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ว่าคำพูดไหนดีคำพูดไหนไม่ดีเนี่ยนะต้องฟังให้ออกจริงๆเลคนอื่นพูดต้องฟังให้ออกอนะเราพูดก็ต้องแยกให้ออกว่านี้คำพูดนี้เป็นสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาต้องแยกให้ออก มิจฉาวาจาเป็นไนพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพ้อเจ้อนี้เรียกว่ามิจฉาวาจาคําพูดนั้นไม่จริงแล้วพูดขอให้คนอื่นเขาแตกกันเป็นคําพูดที่พูดด้วยโทสะออกมาเนี่ยนะคำพูดหยาบคืออะไรคือคําพูดที่พุ่งด้วยโทสะเนี่ยนะคําพูดที่พุ่งออกมาด้วยโทสะเรียกคาพูดหยาบจึงกระพ่อมหาบัณฑิตจึงจะใช้คําแบบนี้ก็ยังเรียกคำหยาบอยู่ดี พอมหาจำเริญนก็เรียกว่าคำหยาบนะแล้วก็เพเจอร์ล่ะไม่ได้อิงสังวรวินัยไม่อิงปหา r m วินัยไม่อิงอริยสัจอะไรซากอย่างก็ว่าไปตามแต่มีพระอยู่รูปถ้ามีบางท่านนั้นพูดเราบอกพูดไปเรื่อยเลยนะคำนี้มันชัดเยนนะเพร์เจอร์คืออะไรพูดไปเรื่อยเนี่ยนะมันเหมือนกับว่ามีปากเอาไว้พูดจริงๆเลยนะพูดไปเรื่อยเนี่ยนะ ดีพูดไปพูดมาแล้วก็จุติแถวนั้นจะลำบากไม่รู้พูดให้มันเป็นอะไรนะฉั น, นเขาบอกว่าผู้ที่สังเกตในเรื่องการใช้คําพูดมากๆเนี่ยเขาจะตรวจง่ายๆเนี่ยว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยทำให้ฉันมีศรัทธาขึ้นไหมเนี่ยอันนั้นบางทีเขามีรายการสนทนาธรรมะเนี่ยเขาเรียกว่าพูดธรรมะนะของมาเครื่องวัดง่ายๆมากเลยหนึ่งเอ้นี่ฉันฟังทั้งหมดแล้วฉันจะรู้จักพระพุทธเจ้ามากขึ้นใช่ไหมเนี่ยฉันจะเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหม อันนี้ถ้าไม่มีผ่านหนึ่งถ้าให้เพียนขึ้นไหมอา่าวไม่มีผ่านสติประฐานสีแม่นยำขึ้นนะกายอสุภาพเวทนาเป็นทุกขจิตไม่เที่ยงธรรมเป็นอนัตตาอนัตตาแบบนี้วนต้องละอนัตตาแบบโพชฌงต้องเจริญเยี่ยมไหมนี่เป็นไปเพื่อสมาธิไม่สงบไหมเห็นอริยสัจวันนี้ทุกเป็นต้นไหมถ้าไม่มีบอกว่านั่นมิจฉาวาจาถึงจะเรียกว่าหัวข้อธรรมะก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ สัมมาวาจาเนี่ยนะเพราะบางทีนะธรรมะนี่เป็นเครื่องมืออย่างดีของมานะเอาไวปา้ปาดปาดคโนโน้นบ้างปาดคนนี้บ้างเอาไว้สอเสียดคนนี้ไม่ใช่สอเสียดนะเอาไว้เสียดสีคนนั้นบ้างเอาไว้เสียดสีคนนี้บ้างเป็นเครื่องมืออย่างดีเอาไว้ประทุษร้ายผู้อื่นทางจิตใจเนี่ยนะมนะันก็ถ้าศึกษาให้ดีๆนะว่าคําที่เราพูดอยู่เป็นสัมมาวาจาหรือเป็น มิจฉาวาจาถ้ารู้ว่าเสียหายอย่าพูดเลยนิ่งซะเถอะเคยเห็นคนนิ่งแล้วถูกฆ่าไหมไม่ไม่ค่อยมีนะหายากแต่ที่ถูกฆ่าคือพวกพูดมากนะเพราะั้นก็นิ่งๆอ่ะดีเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีเรียกว่าไม่มีอับมีทําไม่มีเนื้อหาสาระที่จะพูดนะนิ่งอ่ะเป็นดีที่สุดนะแต่ทีนี้ขาดเดียวกันก็นิ่งด้วย นิ่งแบบพระอริยนะนิ่งด้วยกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าถ้าแค่หุบ ป, ปากได้นี่ก็ดีเยอะแล้วนะ <c oughs> ส่วนสัมมาวาจานี่ก็แบ่งออกเป็นสองนะสัมมาวาจาคือสัมมาวาจาที่เป็นกุศลคือยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันกับสัมมาวาจาที่เป็น อ, อ, อริยเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาวาจาที่ยังปัสวะ เป็นส่วนแห่งบนให้ผลแก่ขันเป็นนะเจตนางดเว้นตัวนั้นก็คือเวรตีเนี่นะเจตนาวีรตีจากการพูดเท็จเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จนนะี่นะว่ารวมๆมันนะจริงๆถ้าโดยองค์ธรรมก็เจตนาก็อย่างหนึ่งนะเจตนาศีลเวรตีก็เป็นอะไรศีลเจตสิกศีลเพราะนนั้เจตนาศีลเจตสกศีลเว้นจากการพูดเท็จละการพูดเท็จนี่นะถ้าเจตนาเขาเรียกว่าละ เวรตีนี้เรียกว่าเวน้นละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็ศละการงดการพูดเพิร์เจอเวนจากการพูดเพิรเจอเป็นต้นเนี่ยนะพูดซอเสียพูดคําหยาบพวกนี้แหละเรียกว่าเป็นสัมมาวาจาที่เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันนะคือสัมมาวาจานั้นจริงๆแล้วเป็นวจีวิญญาตใช่ไหม ว่าจีวินยัตมีอะไรเป็นสมุทฐานมีจิตเอาสภาพจิตที่เป็นต้นเหตุแห่งคําพูดเป็นประมาณเนนะะต้องแยกให้ออกนะโดยเฉพาะผู้ที่ศึกษาพระธรรมเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะเมื่อฟังตัวเองพูดเนี่ยจะต้องสังเกตจิตของตัวเองให้ดีๆผู้อื่นพูดนะเราต้องเอาจิตของเข้ามาวิเคราะห์เลยสภาพจิตของผู้พูดเนี่ยนะมีอะไรสภาพจิตชนิดใดเป็น สมุทานเนี่ยนะเพราะเสียงเนี่ยถ้าเราจะกําหนดเสียงก็ต้องกำหนดพร้อมทั้งปัจจยัยปัจจัยแห่งเสียงคืออะไรก็คือจิตว่าจิตชนิดใดเนี่ยนะเช่นว่าจิตที่เป็นเหตุให้แห่งสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาก็คืออกุศลวิตกฟังเสียงอย่างเดียวนี้ก็แทบจะรู้เลยว่าวิตกอะไรอยู่เข้าตรึกอะไรอยู่เนี่ยนะเพราะว่าถ้าการมวิตกนะคำพูดจะออกมาอย่างหนึ่งพยาบาทวิตกมีอยู่คําพูดจะอีกอย่างหนึ่ง ถ้าวิเหิงสาวิตกมีอยู่คำพูดจะอีกอย่างหนึ่งถ้าเนคคัมมวิตกมีอยู่คำพูดจะอีกอย่างหนึ่งทันก็สังเกตจากเสียงนี่ก็สาวไปหาต้นสมุทฐานคือวิตกะได้ว่าเป็นมิจฉาสังกปะหรือสัมมาสังกปะแล้วจะได้ดูออกว่าวาจาอันนี้เป็นสัมมาวาจาหรือเป็นมิจฉาวาจาถ้าแยกแยะเกี่ยวกับเรื่องคำพูดไม่ออกพร้อมทั้งสภาพจิตที่เป็นสมุทฐานไม่ออก ก็แสดงว่าสัมมาทิฏฐิยังไม่ดีก็แปลว่าไม่มีปัญญานะไม่มีปัญญาพอจะแยกออกว่าอะไรเป็นสัมมาสัสมมาวาจาอะไรเป็นมิจฉาวาจาถ้าแยกไม่ออกนะั้นน่าการุณาที่สุดเนี่ยนะนะคนที่แยกคนที่ไม่มีปัญญาแยกมิจฉามักแยกสัมมามักเนี่ยนะนะคิดหรือว่าจะเดินทางถูกอ่านะคือแยกไม่เป็นแล้วเดินถูกนะขอมาตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นอ่านในคัมภีร์ก็ยังไม่เคยพบอีกเหมือนกัน ว่ามีผู้ที่เขาทำได้ไม่รู้หรอกแต่ว่าทำเป็นทำถูกยังไม่เคยได้ยินเลยนะหายากมากๆส่วนใหญ่เขาแยกเป็นพระโพทธศาสน์เนี่ยยิ่งเป็นคนนักแยกอย่างชนิดละเอียดมากเลยนะค น, นของเราที่ผู้ศึกษาตามคำสอนของพระองค์ก็ต้องแยกให้เป็นว่าอะไรเป็นสัมมาวาจาอะไรเป็นมิจฉาวาจาเราก็จะได้เจริญเป็นและขณะเดียวกันเนี่ย การสื่อสารกับคนอื่นก็ฟังวาจาของเขาเป็นหลักใช่ไหมเราจะได้แยกออกว่านี่เป็นสัมมาวาจาหรือมิจฉาวาจาถ้าผู้ใดใช้มิจฉาวาจาให้รู้เธอว่านั่นเป็นพานผู้ใดใช้สัมมาวาจาก็ให้รู้เธอว่านั่นเป็นบันดิตจะได้เจริญมงคลสาสิแปดเป็นนะมงคลข้อสามสิแปดนะขอมายังชอบข้อหนึ่งกับข้อสองเป็นหลักถ้าแยกคนครบไม่ได้ แยกเสียงที่ฟังไม่ได้แยกอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดแล้วไอ้มงคลขอ้อท้า ย, า ย, ายหเห็นอริยสัจเป็นต้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกนะเอามงคลข้อหนึ่งข้อสองให้มันรอดก่อนเถอะพันตัวสัมมาวาจาเนี่ยนะทั้งที่เป็นเป็นส่วนแห่งบุญเนี่ยนะก็ะต้องแยกให้เป็นนะเพราะว่าผู้ที่มีปัญญานี่เขาจะรู้อย่างนี้รู้ว่าเออเนี่ยเป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจาที่เป็นบุญอย่างนี้ให้ผลเป็นสุขนะ ก็เช่นสมาทานศีลแปดเป็นต้นเนี่ยนะวาจากล่าววา่ากล่าวสมาทานศีลวาจาอนั้นเป็นสัมมาวาจาเนี่ยนะส่วนสัมมาวาจาที่เป็นโลกุตระเนี่ยนะอันนี้หมายถึงสัมมาวาจาที่มีนิพพานเป็นอารมณ์คือความงดความเวน้ควเวนความเว้นขาดเจตนางดเว้นจากวจีทุเจริศสของพิสูจน์ผู้มีจิตไกลาจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แหลคือสัมมาวาจา ที่เป็นอริยะเป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคภิกษุย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาวาจาเพื่อบรรลุสัมมาวาจาอยู่ความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะโอ้มต้องเพียนเหมือนกันนะที่จะละมิจฉาวาจาเพียนเสรินสัมมาวาจาเนี่ยเช่นเพียนท่องพระไตรปิฎกเนี่ยนะเพียนท่องพระสูตรก็อันนี้ก็ต้องเพียนเหมือนกันนะ บางทีเนี่ยเพียนต้องเพียนมากบางทีมเจ็บคอใช่ไหมก็ต้องท่องว่างสาทยายเป็นต้นเนี่ยบางคนที่ท่องออกเสียงเลยนะก็ท่องถ้าจนเจ็บคอหมดก็ต้องแสดงว่าใช้ความเพียร<ด>เพียรละมิจฉาวาจาเพียนเจริญสัมมาวาจาอันความพยายามอันนี้เป็นสัมมาวายามะส่วนภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาวาจาได้มีสติบรรลุสัมมาวาจาอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสตินั้นผู้มีสติก็นี่แหละ ผู้มีความเพียรคือเพียรละมิจฉาวาจาเจริญสัมมาวาจาเพียรมีสติละมิจฉาวาจาเจริญสัมมาวาจาด้วยประการอย่างนี้ธรรมะ3ประการนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติห้อมล้อมเป็นไปตามสัมมาวาจาของพิสูจน์นั้นเพราะฉะนั้นที่เขากล่าวว่าผู้กล่าวธรรมหรือผู้สาธยายธรรมเนี่ยบรรลุได้ก็เพราะอย่างนี้แลเพราะอะไรเพราะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติ ห้อมล้อมห้อมล้อมเป็นบริวารรอบพร้อมใช่ไหมถ้ามีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสตินะองค์มรรคที่เหลือก็ตามมาอยู่แล้วนั่นก็ผู้ที่กล่าวทำเนี่ยกล่าวไปกล่าวไปบรรลุก็มีเช่นพระอะไรพระเขมะกะเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็หรือบางรูปก็สาธยายแล้วบรรลุก็มีส่วนผู้ฟังบรรลุอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าผู้ที่กล่าวถูกต้องเป็นอดเป็นธรรมก็สามารถตรัสรู้ได้นี่ก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะเป็นไปตามนั้นเนี่ย หมดเวลาละ